ความอดอยากขาดแคลนของพระกรรมฐานพระธุดงค์ข้ากรรมฐานที่มุ่งหน้าต่อแดนพ้นทุกอย่างถึงใจมักจะประสบแต่ความอดอยากกันดานในปัจจัยทั้งหลายประจำปฏิปทาด้วยความสมัครใจคือท่านชอบอยู่ในที่อัตคัดกันดานนอกจากความขาดแคลนตามสภาพของสิ่งเกี่ยวข้องในที่นั้นๆแล้ว ยังเป็นความสมัครใจที่จะทำตนเป็นความอดอยากขาดแคลนอีกด้วยอาหารบิณฑบาตได้มามากแต่รับเพียงเล็กน้อยบ้างรับเพียงข้าวเปล่าๆทั้งที่อาหารมีอยู่บ้างตั้งใจไม่ฉันเสียบ้างเป็นวันๆไปอดไปทีลหลายๆวันสลับกันไปบ้างทั้งนี้ท่านสังเกตใจเป็นสำคัญขณะที่ฝึกด้วยวิธีต่างๆแต่ละแบบนั้น ขณะภาวนาจิตได้รับผลแห่งความสงบและแยบคายทางสติปัญญาต่างกันอย่างไรบ้างทำการสังเกตกำหนดวิธีที่เกิดผลดีกว่าวิธีอื่นๆไว้และพยายามทำตามวิธีนั้นโดยสม่าเสมอบางทีก็อดไปหลายวันแล้วมาฉันด้วยวิธีผ่อนบ้างหรือผ่อนไปหลายวันแล้วหยุดชันเสียบ้างราวสี่ห้าวัน จึงชันและผ่อนไปพอประมาณการสังเกตธาตุขันกับจิตใจต้องสังเกตไปพร้อมๆกันถ้าธาตุขันรู้สึกอ่อนเพลียมากก็ชันเพิ่มขึ้นอีกพอประมาณแต่ไม่ให้พอกับความต้องการของธาตุทีเดียวจะทับจิตเกินไปเช่นเพิ่มขึ้นจากที่เคยผ่อนอยู่แล้ว50เปอร์เซ็นเป็น60อร์เซน ถ้ารู้สึกว่าธาตุจะวิการเพราะขาดอาหารมากไปก็งดการผ่อนและการอดเสียชั่วระยะหนึ่งจนธาตุพอตั้งตัวได้แล้วค่อยผ่อนหรืออดอาหารอีกต่อไปเพราะจิตของผู้ถูกกับจริตในทางนี้ย่อมเจริญก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับแม้ถึงการที่ควรจะอนุโลมผ่อนผันตามธาตุขันหรือกำลังวิการอ่อนเพลียแต่ใจก็ไม่อยากอนุโลมตาม ยังอยากผ่อนหรืออดอยู่ร่ำไปเราเคยเห็นผลทางใจเพิ่มขึ้นทุกระยะที่ผ่อนหรืออดอาหารหากจำเป็นต้องผ่อนผันสั้นยาวข้อหากันจนพอดีทั้งาธาตุขันและจิตใจก็ควรทำการดำเนินจึงสะดวกตามความประสงค์ที่มุ่งหมายระหว่างการผ่อนอาหารหรืออดอาหารไปนา น, น, าน ร่างกายย่อมมีความหิวโหวยอ่อนเพลียบ้างเป็นธรรมดาถ้าจะถือเป็นความทุกข์กังวลกับความหิวโหวยก็ทำไปไม่ได้นี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นกรรมฐานผู้หวังความสงบสุขทางใจจึงมักทำตนให้อดอยากขาดแคลนเสมอทั้งที่ไม่อยากทำแต่เจริตนิสัยและความหวังในธรรมะนั้น พาให้จาต้องทนต้องทำที่ว่าอดบ้างอิ่มบ้างหรือผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างนั้นมีใช่ทำอยู่เพียงเดือนสองเดือนแต่พยายามทำอย่างสม่าเสมอไปเรื่อยๆเป็นปีๆหรือจนเป็นที่แน่ใจตัวเองว่าจะไม่ต้องทำแบบนั้นอีกจิตก็ดำเนินตนไปได้ด้วยความสะดวกราบรื่นไม่คลุกคลักก็หยุดจากวิธีเหล่านั้นได้ ปฏิบัติดำเนินไปธรรมดาทั้งทางกายและทางใจแต่โดยมากเท่าที่เคยสังเกตมาขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่ว่าชนิดใดและมีมากมีน้อยเพียงไรต้องแสดงตัวเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอตามฤทธิ์ของมันที่ยังเหลืออยู่ในใจมากน้อยไม่เคยไว้หน้าใครแต่ไหนแต่ไรมา ฉะ น, นั้นนักปฏิบัติที่ถือว่ากิเลสเคยเป็นข้าศึกแก่ตนอย่างฝังใจย่อมไม่นอนใจที่จะเลี้ยงกิเลสไว้ด้วยความนิ่งนอนใจว่ามันจะกลายเป็นมิตรแก่ตนไม่ก่อพิษภัยให้ได้รับความทุกข์ร้อนใดๆอีกต่อไปแต่กลับเห็นเสว่าถ้าได้ทำลายให้สิ้นซากลงไปในขณะนี้จะเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง ยิงกว่าเลี้ยงไว้ทําพิษแก่ตนในวันอื่นต่อไปนี่แหละเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านไม่ลดละความพยายามที่จะตามต้อนกิเลสด้วยวิธีต่างๆเช่นการผ่อนหรืออดอาหารอันเป็นวิธีสนับสนุนความเพียรทางใจให้สะดวกแก่การทําสมาธิภาวนายิ่งขึ้นกว่าปกติธรรมดา จึงทำให้ท่านลดละปล่อยวางวิธีที่เคยได้ผลมาเสียไม่ได้โดยมากที่ท่านพยายามตะเกียกตะกายฝึกทรมานด้วยวิธีต่างตาที่เห็นว่าได้ผลดีไม่ยอมลดละแม้เป็นเวลาหลายปีก็เพราะมีเหตุบังคับที่จำต้องให้ท่านพยายามดังกล่าวม า, <ล>าการผ่อนและการอดอาหารเพื่อความเพียรทางใจ รู้สึกมีมากองค์ในสายนี้น่าจะได้ผลดีกว่าวิธีอื่นๆเช่นอดนอนเป็นต้นท่านจึงชอบอดกันตลอดมาจนทุกวันนี้การอดนอนถ้าหลงได้ผ่อนอาหารอดอาหารแล้วยอมเป็นไปในตัวโดยไม่จำต้องอดนอนด้วยความตั้งใจเพราะการผ่อนและการอดอาหารยอมทำให้มีง่วงเงาวหาวนอนไปเอง จะอยู่ตลอดคืนไม่นอนก็ไม่มีการโงกงวงเหมือนรับอาหารเป็นปกติการพักนอนบ้างนั้นเพื่อเป็นกําลังทางกายไม่ให้อ่อนเพลียจนเกินไปต่างหากไม่ใช่เพราะความโงกงวงบังคับให้ต้องหลับนอนในขณะที่กําลังผ่อนหรืออดอาหารความจริงท่านที่ผ่อนหรืออดอาหารได้สามสี่วันล่วงไปแล้วย่อมหมดความโงกงวง ซึ่งพอจะลดยอนในการหลับนอนไปได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องมีการบังคับไม่ให้หลับแต่อย่างใดแล้วการตั้งสติก็ง่ายการควบคุมจิตใจก็ง่ายจิตไม่ค่อยผาดโผลและคึกขนองไปในอารมณ์ต่างๆสติไม่ค่อยเผลอตัวรู้เหตุการณ์ต่างๆที่มาสัมผัสได้เร็วกว่าเวลาปกติที่ไม่ได้ผ่อนหรืออดอาหาร ทำสมาธิก็ลงสู่ความสงบได้ง่ายเดินทางปัญญาก็คล่องแคล่วรวดเร็วผิดธรรมดาอยู่มากเพราะท่านเห็นคุณค่าเห็นการผ่อนหรืออดอาหารว่าได้รับความสะดวกหลายทางสำหรับรายที่ถูกกับจริตจึงได้พยายามเรื่อยมาแม้จะลำบากผิดธรรมดาบ้างเพราะนิสัยวาสนาของตัวอํานวยไปในทางนั้นจาต้องฝืนเอาบ้าง เพราะอยากได้ของดีจะทำตามวิธีง่ายๆและสะดวกแบบสุขาปฏิปทาคิดปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนั้นนิสัยก็ไม่อำนวยน่าจะอยู่ในขายแห่งทุกขาปฏิปฏาทาธัญญาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้ากระมังจึงต้องขัดขืนกลื่นลำบากเอานักหนาจะกลื่นความสงบสุขคือสมาธิและกลื่นความฉลาด คือสติปัญญาเข้าสู่ใจได้แต่ละครั้งต้องประมวลความทุกข์เข้าสู่กายสู่ใจอย่างมากมายก่อนแทบทนไม่ไหวดีไม่ดีดถล่มหายใจไม่ยาวอยู่บ้างก็น่ากลัวจะตายไปก่อนได้รับผล mm. เมื่อคิดถึงความเสื่อคลานของนักปฏิบัติแต่ละท่านกว่าจะได้ดื่มธรรมรสแต่ละครั้งละคราวรู้สึกแสนอดแสนทนที่น่าสงสารอย่างจับใจ แต่ก็ยังดีที่ยังมีท่านผู้พอใจฝืนอดฝืนทนฝืนฝนทรมานตนเรื่อยมาไม่ลดละความเพียรพอได้ดื่มแสงอาทิตย์แสงจันทร์จากกระแสะแห่งธรรมะด้วยการปฏิบัติของตนบ้างไม่ทนอดทนหิวไปตลอดพบชาติต่างๆที่จิตเที่ยวจับจองไว้จนไม่มีประมาณพอนับอ่านได้ถ้าพิจารณาตามความจริง ที่จิตจำต้องยอมรับตามเหตุการณ์ที่ตนจะพึงประสบในภพชาติต่อไปทำให้ท้อใจต่อการแบกหามภาระนั้นๆที่ตนต้องไปเกิดและเสวย อ, อยู่ร่ำไปถ้ามีรีพยายามตัดทอนให้สั้นเข้าแต่บัดนี้เพื่อภาระหนักทั้งหลายจะได้เบาลงหรือสิ้นไปอันเป็นการปลดเปลื้องภาระให้เสร็จสิ้นไปในตัวความเห็นโทษในสงสารอย่างถึงใจ ที่มารวมอยู่กับตัวคนเดียวเป็นผู้รับเหมาทั้งสิ้นนี้ทำให้มีแก่ใจทุ่มเท ก, กำลังทุกส่วนลงเพื่อความเพียรไมอ่อนข้อย่อหย่อนผ่อนกลังว่าจะสู้ไม่ไหวมีแต่ความกระหม่คเม้นเด่นชัดทางการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนความเพียรทุกด้านไม่ยอมให้จนความอดทนต่อหน้าที่ไม่ยอมให้ขาด สติปัญญาความฉลาดเพื่อฟาดปันหันแหลกกับกิเลสผลิตขึ้นทุกเวลานาทีแม้ทุกแสนทุกก็ไม่ยอมหนีพยายามอดพยายามทนพยายามตีจนทุกแตกแยกตัวออกได้ไม่ยอมจนสมกับเป็นสิทธิ์ของพระทศพลยานผู้กล้าวกล้าหน้านักรบไม่ยอมหลบไม่ยอมหลีทุกสมุทยัยตัวกิเลสอุ้มห่อดวงใจหนาแน่นเพียงไร พยายามแก้ไขากัดฉีกออกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเรื่องฟาดฟันจนปรากฏธรรมะอัศจรรย์เกิดขึ้นในดวงจิตชนิดไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่การไห น, ไหนเป็นความอัศจรรย์ใจตัวเองเกินคาดไม่มีสิ่งใดสามารถจะกำไว้ในอำนาจอีกต่อไปได้นั่นแหละคือธรรมะฟากตายดังท่านอาจารย์มั่นอุทานในวาระสุดท้าย แห่งการรบพุ่งชิงชัยยุติลงตามที่เขียนไว้ในประวัติท่านแล้วธรรมะนิลาที่ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายตะเกียกตะกายเพื่อชมอยู่ทุกวันเวลาไม่ลดละความเพียรพยายามด้วยวิธีต่างๆซึ่งโดยมากมีแต่วิธีเด็ดๆเผ็ดเผ็เดร้อนร้อนดังกล่าวมาไม่มีวิธีใดพอได้ผ่อนคลายหายเหนื่อยบ้างเลย ถ้าพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่และเสด็จมาพบเข้าขณะที่ท่านกำลังห้ามหันกลั่นความเพียรต่อยุดกับกิเลสกองทุก์ทั้งหลายอยู่อย่างทรหดอดทนน่าจะพอพระไทยทรงอนุโมทนาพร้อมกับลูกคลาศีรษะปลอบโยนส่งเสริมด้วยพระวาจาอันอ่อนหวานว่าดูก่อนเธอผู้ลูกพระตถาคตผู้ปรากฏเด่นชัดทางความเพียรเพื่อแดนแห่งพระนิพพาน อันเป็นบรมสถานเวลานี้เธอกำลังแสดงความกล้าหาญชาญชัยต่อยุดกับศัตรูคู่อริอยู่อย่างเต็มฝีมือเพื่อรื้อพบพรือชาติให้ขาดกระเด็นออกจากใจไม่ลดละเพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณระบือลือลั่นสนั่นทั่วไตรภพกำลังพยายามขุดค้นต้นต่อแห่งจอมฆาศึกคืออวิชชาผู้มหาอานาจพาให้เกิดตาย ด้วยสติปัญญาอันแหลมคมอยู่หรือเราตถาคตขออนุโมทนาสาธุการขอเธอจงทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานภายในใจอย่างเร็วไวรีบด่วนเถิดธรรมะดวงประเสริฐกำลังรอจะตกเข้าสู่เงื้อมือของเธอผู้เก่งกาจฉลาดด้วยสติปัญญาอยู่แล้วเวลานี้ทั้งทรงปลอบทรงปลุกใจให้กล้าหาญทั้งทรงลูกทรงคลั่มศีรษะไปมา ให้เกิดศรัทธาเหนียวแน่นแก่นนักโรคด้วยประวาจาอ่น อ, อนหวานทรงขับขานเกลี้ยกล่อมให้กำลังใจด้วยการทรงอนุโมทนาในความเพียรของสักกายบุตรผู้กำลังจะทรงวิมุติธรรมทางใจในเร็ววันนำธรรมะอัศจรรย์มาสู่โลกเพื่อหายโศกสันต์ปันป่วนแห่งมวลมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกิเลสตัณหาอันจาบทายาพิษชนิดแก้ไม่หาย นอกจากธรรมโอสถโรสรดสงลงที่ดวงใจจากท่านผู้มีธรรมอัศจรรย์ทางภายในส่วนท่านที่ควรจะได้รับชัยชนะจากฆ่าศึกศัตรูเพราะความเพียรกล้าแต่พระศาสดาไม่ได้เสด็จมาสมโพธ์โมทนาธรรมด้วยเสียเพราะปารินิพานไปเสียโดยทั้งพระกายส่วนพระไทยอันบริสุทธ์ยอมเป็นเครื่องยืนยันไว้อย่างหนักแน่นตายตัวว่า ผู้ใดเห็นธทรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตดังนี้ที่อธิบายซ้ำอีกบ้างนี้เป็นความเพียรเกี่ยวกับการผ่อนหรืออดอาหารของพระปฏิบัติที่หนักในทางนี้ผลที่พึงได้รับกรุณาพิสูจน์เอาเองตามในยะที่เขียนผ่านมาปฏิ ป, ปทาที่นำมาลงในนี้ผู้เขียนแน่ใจทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผล ว่าเป็นเครื่องกลมกลืนกันไปเราได้นำสิ่งที่ท่านเคยดำเนินและได้ผลมาแล้วมาลงเพื่อท่านผู้สนใจจะได้นำไปปฏิบัติบ้างซึ่งอาจเกิดผลดังกล่าวมา